สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel พระเจอผีบน YouTube ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเกา่าแฟนคลับใหม่นะคะยังไงถ้าหากว่าแวะเวียนเข้ามาในช anel น, น, นี้อย่าลืมที่จะกด Subscribe หรือว่ากดติดตามช่องของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผลิตผลงานออกมาสู่ช่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟัง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 รู้ว่าท่านใจบุญผู้นั้นได้ประกอบบุญกุศลถึงขนาดนี้แล้วนะทุกคนย่อมมีความคิดเห็นเป็นทางเดียวกันค่ะคือท่านผู้มีใจบุญผู้นั้นหากถึงวาระหมดอายุขายตายไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านคงไปสู่สุขติสำปรายาภพแน่นอนค่ะความคิดเห็นซึ่งประเมินความเป็นไปได้ดังกล่าวเนี่ยควรจะเป็นไปตามนั้นไม่มีผิดพลาดแต่ว่าความคิดเห็นที่ว่านี้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 พุทธศักราช2536นะคะกับการบรรยายธรรมเรื่องความสุขค่ะสร้อยเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งงานแล้วก็อยู่กินกันกันกบสามีค่ะซึ่งมีอาชีพเป็นสัปเะเล อ, อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางจังหวัดแพร่เธอกับสามีก็อยู่กินกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันสักทีหนึ่ง สับเบอรบุนะคะผู้ที่เป็นสามีก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ค่ะซึ่งตนก็เคยเรียนวิชาทางศิยศาสตร์มาด้วยให้ไปช่วยประกอบพิธีกรรมทางศิยศาสตร์เพื่อให้ตัวเองกับเมียเนี่ยมีลูกสมใจกันสักทีหนึ่งผู้ที่เป็นอาจารย์ก็ได้รับปากนะคะว่าเออเดี๋ยวจะช่วยทำพิธีให้แล้วก็หลังจากที่พิธีกรรมผ่านไปได้ไม่นานก็ปรากฏว่าส้อยเมียของสัปปเบรบุญเนี่ยได้ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆนะคะ ผู้เป็นอาจารย์ของสัพเพเหระบุญก็ได้สั่งกำชับตลอดเวลาว่าที่ส้อยอยู่ในระหว่างตั้งครรเนี่ยห้ามสัพเพเระเรบุญไปทำพิธีศพให้ใครอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นซึ่งแรกๆค่ะสัพเพเหระบุญก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะแต่ว่าต่อมาค่ะเมื่อครบกำหนดคลอดของการตั้งครรภตามปกติก็คือ9เดือน แต่ก็ไรซึ่งวิแววนะคะว่าส้อยจะคลอดลูกออกมาให้สั ป, ปรเรอบุญได้เชยชมดังนั้นสั ป, ปเหรอบุญก็เลยรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อความไม่สบายใจสมอยู่ในอกจนแน่นไปหมดเลยนะคะสั ป, ปเหรอบุญก็เลยตัดสินใจค่ะเดินทางไปพบกับอาจารย์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งท้องแบบผิดปกติของส้อยเมียรักของเขาเองที่บ้านหลังเล็กหลังนึง ซึ่งปลูกอยู่ท่ามกลางแมกไม้ท้ายป่าช้าวัดโพเตีย้ยที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นที่อยู่ของอาจารย์เมื่อสั ป, ปเหร่อบุญได้เดินทางไปถึงเนี่ยเขาก็พบนีคะว่าขณะนั้นที่บริเวณบ้านของอาจารย์ผู้คนคลาคล่ําไปด้วยคนจํานวนมากมายนะคะแล้วก็มีคนจํานวนไม่น้อยค่ะที่อยู่ในอาการโศกเศร้าซึ่งสิ่งที่สั ป, ปเหร่อบุญได้เห็นเนี่ยมันยิ่งทําให้เขาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเป็นร้อยเท่า บรรยากาศเยี่ยงนี้เขารู้ดีค่ะว่ามันคือบรรยากาศของงานศพแน่นอนเขาก็ถามไปบอกมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับสัปเหร่อบุญตัดสินใจป้อนคําถามกับชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งนั่งสีหน้าเศร้าอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ห่างจากบ้านของผู้เป็นอาจารย์ของเขานักเอา้าแล้วพ่อหนุ่มเป็นใครกันล่ะข้าไม่อยากจะเคยเห็นหน้าข้าตาชาวบ้านวัยสูงอายุย้อนถามค่ะสัปเหร่อบุญก็เลยตอบไปบอกคือผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เกิด เจ้าของบ้านหลังนี้นะครับผมชื่อบุญผมร่ำเรียนวิชากับแกตั้งแต่สมัยยังอยู่ที่จังหวัดแพร่นูน่นก็รู้สึกคิดถึงก็เลยมาเยี่ยมเพราะว่าตั้งแต่แกย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้ง7จ็เดือนผมก็ยังไม่ได้มาเยี่ยมแกสักทีนึง่งคำตอบของสั ป, ปเลินหนุ่มทำให้ชายคนนั้นถึงกับมองหน้าค่ะในตาของแกเบิกกว้างเล็กน้อยสีหน้าแสดงความยินดีขึ้นมาบ้างก่อนที่จะพูดขึ้นมากับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนด้วยน้ําเสียงดีขึ้นบอกว่าเป็นลูกศิษย์ งั้นก็หมายความว่าพ่อหนุ่มก็เป็นสั ป, ปรเร่ณนะสิใช่ไหมเออครับใช่ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับชายสูงอายุไม่ตอบค่ะได้แต่ถอนหายใจอย่างโล่งอกเป็นบุญของไอ้เกิดมันแท้ๆหมายความว่ายังไงครับลุงชายสูงอายุมองหน้าสั ป, ปรเร่บุญครู่ึก่อนที่จะเอื้อมมือมาบีบไหล่ของสั ป, ปเหร่บุญพร้อมกับบอกว่าพ่อหนุ่มมาทันเวลาพอดีทําใจดีๆไว้นะลุงมีข่าวร้ายจะบอกคือว่าไอ้เกิดเนี่ย มันอาจารย์เกิดของพ่อหนุ่มะนะเขาเพิ่งสิ้นลมเมื่อเช้ามืดวันนี้เองไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเขาตายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีบาดแผลอะไรเลยตามตัวของเขาแล้วก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรสักนิดเดียวพวกเราก็เลยสันนิษฐานว่าเขาอาจจะช็อกตายอาจจะหัวใจวายตายกระทันหันนั่นแหละแล้วที่นี่ก็ไม่มีใครช่วยทาศพให้เขาเป็นเลย สับเปลือะอีกคนนึงก็ไปทําธุระที่ลำปางกว่าจะกลับมาก็คงอีกหลายวันชาวบ้านก็เลยกลุ้มใจว่าจะทําอย่างไรดีพอดีพ่อหนุ่มมานี่แหละช่างประเหมาะซะอย่างไรสับเปลือกบุญถึงกับน้ําตาคลอค่ะเมื่อได้รู้ว่าอาจารย์ซึ่งเป็นที่รักแล้วก็เคารพยิ่งของเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วโถอาจารย์ไม่น่าอายุสั้นแบบนี้เลยเอาเถอะนะ ไหนๆมันก็ได้เกิดขึ้นและลุงว่าพอหนุ่มนั่งสักพักหนึ่งก่อนละกันเดี๋ยวช่วยขึ้นไปจัดการศพของไอ้เกิดมันทีเถอะไม่มีใครทำอะไรเป็นเลยได้แต่เอาผ้าคลุมร่างของมันเอาไว้เท่านั้นอืมได้ครับลุงสัปเหร่บุญรับปากอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างที่สุดค่ะเขาถือว่าเขาเนี่ยยังโชคดีที่ยังมีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของอาจารย์ซึ่งเปรียบประดุจญาตผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาเคารพอย่างยิ่ง แต่ว่าเขาลืมสนิทเลยนะคะว่าเขากําลังจะละเมิดคํากําชับของอาจารย์หลังจากที่ได้ทําพิธีกรรมขอลูกเมื่อ9เดือนที่ผ่านมาค่ะเขาลืมมันไปซะสิ้นเลยหลังจาัด ก, การเรื่องงานศพของอาจารย์เกิดเรียบร้อยแล้วสับปปเบอร์บุญก็รีบเดินทางกลับจังหวัดแพร่ด้วยความเป็นห่วงส้อยเมียรักแล้วก็ลูกน้อยที่กําลังจะลืมตาดูโลกในไม่ช้านี้ความตั้งใจที่จะไปปรึกษาเรื่องลูกของเ้ากับอาจารย์ก็เป็นอันต้องพับเก็บไป และเขาก็ไม่อาจจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังได้แม้แต่กับส้อยเมียรักของเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าการที่เธอมีลูกขึ้นมาในครั้งนี้ก็เพราะอาจารย์เกิดได้ทําพิธีกรรมทางศิยศาสตร์ขอให้นั่นเองค่ะเดือนที่สิของการตั้งท้องผ่านพ้นไปแต่ว่าสร้อยก็ยังไรวี่แววว่าจะถึงกําหนดคลอดแล้วนอกจากว่าไม่มีวี่แววแล้วนะคะความผิดปกติหลายอย่างก็ได้เกิดขึ้นกับเธอค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้สับปะเอบุญยิ่งเกิดความไม่สบายใจขึ้นมามากกว่าเดิมหลายเท่านัก ตั้งแต่ที่สั ป, ปเหร่อบุญกลับมาจากทาศพให้กับอาจารย์เกิดสร้อยก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็หยาบคายมากขึ้นหน้าตาก็หมองคล้ำไม่มีราสีนะคะแล้วก็สิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับสั ป, ปเหร่อบุญมากก็คือส้อยเนี่ยมักจะชอบกินของดิบๆสุกๆซึ่งแม้ว่าสั ป, ปเหร่อบุญจะเตือนแล้วก็ห้ามปรามอย่างไรสร้อยก็ไม่เคยเชื่อฟังเลยแม้แต่น้อยกูจะกินใครจะทําไมก็ลูกกูอยากกินก็ต้องให้มันกินสิ ส้อยมักจะพูดคำนี้อยู่เสมอค่ะเมื่อถูกสั ป, ปเหร่อบุญห้ามปราบไม่ให้กินของดิบและยิ่งนับวันเธอก็ยิ่งกินของดิบหนักขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งถึงเดือนที่18แห่งการตั้งท้องสร้อยถึงกับกินเป็ดกินไก่สดๆตัวเป็นๆเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งเลือดสดๆที่ไหลทะลักออกมาเวลาที่เธอกับกินอย่างอรเด็ดอร่อยอยู่นั้นนะคะเนื้อตัวของส้อยสูบผอมไปถนัดตานอกจากบริเวณท้องเท่านั้นที่ใหญ่โตขึ้น กลิ่นเนื้อกายสาวที่เคยหอมกรุ่นบัตนี้ไม่มีหลงเหลือให้สัมผัสนอกซะจากกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงที่ล่องลอยออกมาจากเนื้อตัวของเธอเท่านั้น18เดือนเต็มค่ะคุณผู้ฟังแห่งการตั้งท้องวันที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็มาถึงค่ะส้อยเจ็บท้องตั้งแต่เมื่อตอนย่าคำ่ำสปเบอร์บุญก็เริ่มรู้สึกว่าใจคอไม่ดีแล้วล่ะนะคะเมื่อเห็นสภาพเมียก็เลยไปตามหมอตำแยแล้วก็พ่อแม่ของส้อยมาที่บ้าน ทุกคนก็กูลีกุจอกันอย่างเต็มที่ค่ะไม่มีใครรู้นะคะว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่มีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบทําให้ทุกคนต้องทําอย่างดีที่สุดเพื่อให้การคลอดของส้อยเนี่ยออกมาอย่างปกตินะคะซึ่งท้องอย่างผิดปกติแบบนี้เนี่ยก็ให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดประมาณนั้นเอออย่างนี้แหละดีดีแบ่งอย่างนั้นแหละแรงอีกนิดส้อยเอ้ยแบ่งให้แรงอีกนิด เกือบจะออกแล้วอดทนหน่อยโอ๊ยป้าจา๋าสร้อยเจ็บเหลือเกินลูกออกมาสทัทีอย่าทรมานแม่นักเลยโอ๊ยพ่อจา๋าแม่จา๋าพี่บุญจา๋าช่วยส้อยด้วยเสียงแห่งความทรมานค่ะดังออกมาจากห้องอยู่นานจนกระทั่ง20นาทีผ่านไปเสียงของส้อยก็เงียบลงพร้อมกับขณะเดียวกันนั้นก็มีเสียงร้องของทารกดังขึ้นมาแทนที่และมันก็เป็นเสียงเด็กที่แหบแห้งที่สุดเท่าที่ทุกคนเคยได้ยินมา ทันทีที่ได้ยินเสียงทุกคนต่างก็กรูวเข้าไปในห้องค่ะทันทีที่ทุกคนเข้าไปเนี่ยก็เกือบจะเหยียบกันเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่าทุกคนถามออกมาจนแทบจะเป็นเสียงเดียวเออปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละหมอตําแยตอบนะคะแกตอบแบบมองหน้าสับเปล่าหนุ่มอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะวางร่างทารกน้อยลงบนผ้าหนานุ่มที่เตรียมไว้เฮ้ยค่ะก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเหมือนกันเมื่อทุกคนได้เห็นทารกน้อย ทุกคนต่างต้องอึ้งเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทารกที่นอนอยู่เบื้องหน้าตอนนี้เนี่ยมีอวัยวะเหมือนคนปกติทุกอย่างยกเว้นใบหน้าเท่านั้นที่มีขนาดใหญ่มากและมันไม่ใช่ใบหน้าของเด็กทารกแต่ว่ามันเป็นใบหน้าของชายแก่ซึ่งอายุราวเจ็ผมงอกไปทั้งหัวใบหน้าเหี่ยวยน่นฟันดาเป็นคราบราวกับผ่านการเคี้ยวหมากมาหลายปีคุณพระช่วยหลานตาโถเอ๋ยหลานย่า 2. พราะเท่าไม่เท่าอุทานลั่นไม่น่าเลยอาจารย์คำสุดท้ายเป็นคำพูดของสัพเปอหรหนุ่มซึ่งเป็นคนเดียวที่รู้ดีนะคะว่าใบหน้านั้นไม่ใช่ใบหน้าของใครอื่นแต่ว่ามันเป็นใบหน้าของอาจารย์เกิดอาจารย์ของเขานั่นเอง